สิกขาบทที่สเรื่องพระชัพขพี5 8าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสวัสถีครั้งนั้นพวกพิสูจชพฉัคีตะโกนเสียงดังไปในละแวกบ้านพระบัญญัติ 3. พึงทำความสำเนียกว่าเราจะพูดเสียงเบาไปในละแวกบ้านเรื่องพระชับพพพีจบสิกขาบทวิพัง